วันนี้เป็นวันพุทธที่ยี่สิบสองเมษายนพุทธศักราชสอง3ันห้าหกสิบสามเป็นวันที่เราได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้เราก็จะพบกันทุกสี่วันต่อนหนึ่งครั้ง เพื่อที่จะได้มาสนทนาธรรมมาพูดคุยเรื่องธรรมะที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ธรรมะที่เราเรียกว่าเป็นธรรมที่ประเสริฐนี้คืออะไร ก็คือรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนี่เองนี่แหละคือธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุแล้วนำอาม า, มาเผยแผ่สั่งสอนถ้าเป็นสมัยปัจจุบันก็เป็นการเอามา แชร์กันพระพุทธเจ้าเจอรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงก็ส่องกดไลค์ชอบแล้วก็กดแชร์ไปให้กับเพื่อนฝูงเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เหมือนกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวง สิ่งต่างๆสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆของโลกที่เขามีการจัดอันดับไว้ว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เป็นสิ่งที่วิเศษเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากหาได้ยากก็สู้ลถแห่งทำไม่ได้พราะสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ มันไม่ได้ทำให้ผู้ได้เห็นได้สัมผัสนั้นมีความรู้สึกเปลี่ยนไปในทางจิตใจอาจจะมีความตื่นเต้นตื่นตาอยู่ชั่วระยะหนึ่งชั่วขณะที่ได้เห็นได้สัมผัสรับรู้แต่หลังจากนั้นจิตใจของผู้ที่ได้สัมผัสรับรู้ ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอยู่กลับมาเป็นจิตใจที่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆครอบงําอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาไม่เหมือนกับรถแห่งธรรมนที่ผู้ใดได้สัมผัสรับรูบร้แล้วจะเปลี่ยนจิตใจของผู้ที่ได้สัมผัสรับรูบร้ จากใจที่มีความทุกข์วุ่นวายใจต่างๆกลายเป็นใจที่ปราศจากความทุกข์ปราศจากความวุ่นวายต่างๆเหมือนกับตอนนี้ตัวอย่างเปรียบเทียบเราดูบ้านเมืองของเราตอนนี้กับก่อนช่วงที่มีปัญหาของโรคระบาด เป็นเหมือนคนละโลกเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเราแสนจะสงบแสนจะสะอาดไม่มีเรื่องมีราวอะไรกันมากมายเหมือนเมื่อตอนที่ไม่มีโรคระบาดธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็ฟืน้นฟูขึ้นมาอย่างรวดเร็วอย่างน่ามหาัศจรรย์ใจบอกพิษควันพิษอะไรต่างๆ ที่มีอยู่ในอากาศก็หายไปหมดน้ำเสียน้ำสกปรกขยะอะไรต่างๆหายไปหมดกลับกลายเป็นบ้านเมืองที่สะอาดธรรมชาติสดใสสะอาดนั่นแหละคือสภาพจิตใจ ของผู้ที่ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งป่วงจะเป็นจิตใจที่ปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเป็นใจที่สงบเป็นใจที่มีแต่ความสุขตลอดเวลาเรื่องของความทุกข์นั้น กายเป็นอดีตไปไม่มีในปัจจุบันและไม่มีในอนาคตที่จะตามมาต่อไปนี่แหละคือสิ่งที่รสแห่งธรรมจะทำให้เกิดขึ้นกับจิตใจของผู้ที่ได้เสพได้สัมผัสใครได้เสพได้สัมผัสแล้วจะเกิดความประทับใจ อย่างสุดซึ่งออไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เหมือนรถแห่งธรรมนี่เลยเ อ, อ, อันนี้แหละคือทรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงนำเอามาสอนเอามาฝากพวกเรากันแต่ปัญหาของพวกเราคือ เข้าไม่ถึงกันก็เลยจำเป็นที่จะต้องกำจัดอุปสรรคต่างๆที่ขวางกั้นการเข้าถึงลถแห่งธรรมันประเสริฐนี้จึงมีธรรมชนิดอื่นๆเข้ามามาสั่งมาสอนให้พวกเราได้ กำจัดขวาน้ำต่างๆที่เป็นสิ่งที่ขวางกัน้นไม่ให้พวกเราได้เข้าถึงรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงอันนี้แหละเป็นเป็นงานหนักงานที่จะให้ปุตุชนธรรมดาอย่างพวกเรา เข้าถึงรถแห่งธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการต่างๆซึ่งเป็นเหมือนกับบันไดที่จะให้พวกเราเดินกันขึ้นไปสู่รถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงเล พอเราได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับธรรมชนิดอื่นๆบางทีเราก็ลืมถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการปฏิบัติธรรมของเราว่าการปฏิบัติธรรมของเรานี้มุ่งไปสู่ลถแห่งธรรมคือลถของความสงบของใจ ลถแห่งธรรมเกิดจากความสงบของใจใจสงบแล้วลถแห่งธรรมคือรสของความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็จะปรากฏขึ้นมาบางทียึงต้องคอยเตือนคอยย้ำคอยพูดให้มองไปที่ เป้าหมายที่แท้จริงของการปฏิบัติธรรมของพวกเราเราไม่ต้องการอะไรต้องการลดแห่งธรรมนี้เท่านั้นต้องการความสงบในการปฏิบัติธรรมของเราเพื่อที่จะไปให้ถึงลดแห่งธรรมบางทีเราก็ไปหลงติดกับ ทำต่างๆที่เราปฏิบัติกันจนทาให้เราลืมเป้าหมายที่แท้จริงของการปฏิบัติธรรมของเราเพื่อให้ได้ลดแห่งธรรมนี้เะ็นต้องพยายามเตือนตนเองอยู่เรื่อยๆว่าการกระทาทั้งหมดของเราในขณะนี้จากคําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้านี้ มีไว้เพื่อทําใจของเราให้สงบเท่านั้นทําใจของเราให้มีความสุขที่เป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี่แหละคือธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเข้าถึง พ่อองค์จะเข้าถึงได้พ่อองค์ก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่คอยกีดขวางในเบื้องต้นพ่อองค์ก็ทรงเป็นพระราชาวรถเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินมีพ่อนี่แหละเป็นอุปสรรคพ่อไม่อยากให้ลูกออกบวช เนื่องจากได้ยินคำทานายของโหรตอนที่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะประสูติขึ้นมาใหม่ๆทรงมีความสามารถพิเศษเดินได้เจเก้านจึงทำให้พระราชบิดาต้องไปเชิญโหราจารย์มาทานายถึงแปดรูปด้วยกัน บรรดาหรอาจารย์ต่างๆก็ได้ส่งทรรนายว่าถ้าอยู่คองถ้าอยู่คองลาดเป็นคาราวาสก็จะได้เป็นพระมหาจากักรพรรดิอันยิ่งใหญ่ของโลกถ้าออกบวชก็จะได้เป็นศาสดาเอกของโลกเมื่อได้ ยินคำทานายของโหราจาร์เหล่านี้ยกเว้นมีโหราจาร์อยู่รูปหนึ่งคือพระอาญย์โกนธัญญาเ น, รรานี่ท่านเป็นผู้เดียวที่ส่งทานายว่าจะต้องออกบวนและเป็นศาสดาเอกของโลกอย่างแน่นอนไม่มีทางอืง่นเมื่อพระราชบิดาได้ทรงได้ยินได้ฟัง คำทํานายของโหราจาร์เหล่านี้แล้วก็เกิดความปรารถนาที่จะกีดกั้นไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะได้ออกบวชจึงท่งหอบล้อมเจ้าชายสิทธัตถะด้วยความสุขต่างๆของ ที่มีอยู่ในโลกนี้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายรูปเสียงกยลิ่นรสปุถัมชนิดต่างๆลาบยศสรรเสริญต่างๆอ้อมล้อมให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะได้เสพได้สัมผัสตลอดเวลาสร้างประสาทสามฤดูให้เจ้าชายสิทธัตถะได้อยู่ห้ามไม่ให้คนแก่คนเจ็บ คนตายเข้าไปในพระราชวังเพราะไม่ต้องการให้เจ้าชายสิท ธ, ธ, ธัตถะเห็นความทุกข์ที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะจะทำให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนั้นจะคิดออกบวชนี่คืออุปสรรคอันแรกของเจ้าชายสิท ธ, ธ, ธัตถะเกิดมาแล้วก็ ถูกพระราชบิดาคอยกีดกั้นทางที่จะนำพระองค์ไปสู่รถแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงแต่ใจของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะที่คอยแสวงหาความสุขที่ ไม่มีในโลกนี้เพราะความสุขที่พระองค์ทรงได้สัมผัสนในโลกนี้ทรงเห็นว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนซึ่งเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความไม่มั่นใจเกิดความวิตก ก, กังวลต่างๆขึ้นมา จึงทำให้พระองค์นั้นมีความรู้สึกว่าไม่เป็นความสุขที่สมบูรณ์เป็นความสุขที่คลุกเข้าไปกับความวิตกกังวลต่างๆจนวันหนึ่งความอยากจะรู้ว่าโลกภายนอกของวราชวังมีอะไรบ้างมีความสุข ที่พระองค์ทรงอยากจะได้ค้นพบหรือไม่ค อ, อความสุขที่ถาวรความสุขที่ปราสจากความวิตกกังวลต่างๆออก็เลยได้ส่งเล่นลอดหลีออกจากพระราชวังออกไปเที่ยวกับมหาเล็กเพราะพระราชบิดาทรงห้ามไว้ไม่ให้ออกไปนอกวง พอได้ออกไปก็ได้ทรงเห็นโลกภายนอกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ได้เห็นสิ่งที่พระราชบิดาไม่ทรงต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถะได้เห็นก็คือเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชพอเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตาย ก็ทรงเห็นอนาคตของพระ อ, องค์เองว่าร่างกายของพระ อ, องค์เองก็ต้องเป็นเช่นนั้นจะต้องแก่ลงไปจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและในที่สุดก็จะต้องตายไปความสุขต่างๆที่ทรงได้เสพได้สัมผัสได้ครอบครองเป็นสมบัติก็จะ หมดไปแล้วก็ส่งเห็นนักบวชแล้วได้ทราบว่าพวกนักบวชนี้เป็นพวกที่แสวงหาความสุขอีกรูปแบบหนึง่งความสุขที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลใจความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบเมื่อส่งได้เห็น ความจริงของโลกนี้แล้วเห็นความจริงของความสุขของโลกนี้ว่ามันเป็นความสุขที่คลุกเคลาไปกับความวุ่นวายใจต่างๆความวิตกกังวลต่างๆจึงทำให้พระองค์ทรงมีความปรารถนาะที่จะออกบวช แก็ยังหาโอกาสไม่ได้จนถึงวันที่พระมเหสีได้ทรงคลอดพระอรรถเป็นวันที่พระองค์จึงต้องทรงตัดสินใจพอทราบว่าพระมเหสีได้คลอดพระอรรถออกมาพระองค์ก็ทรงอุทธธานคำว่าราหุน แปลว่าบ่วงมหาเล็กที่ได้ยินมหาเล็กที่ส่งข่าวนำข่าวมาบอกให้เจ้าชายสิทธัตถ a ทราบว่าพระมเหสีได้คลอดพระโอรสแล้วแล้วพระเจ้าชายสิทธัตถ a ก็ทรงอุทธรณ์ว่าราหุนก็คิดว่าทรงประทาน พระนามให้กับพระโอรสให้ชื่อว่าราหุนพระลาพระโอรสเลยมีชื่อราหุนมาตั้งแต่บัดนั้นแต่ความหมายของคำว่าราหุนนี้แปลว่าบ่วงพระพุทธเจ้าทรงเห็นอุปสรรคที่จะมาขวางการหา รถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงแล้วเบื้องต้นก็นรู้ว่าอุปสรรคอันแรกก็คือพระราชบิดาพระราชบิดาไม่ต้องการให้พระองค์ทรงออกบวชแล้วอุปสรรคอันที่สองก็มาปรากฏขึ้นมาคือการประสูจของพระอรถของพระองค์องค์เลยจึงต้อง ตัดสิมใจในวันนั้นในคืนนั้นว่าถึงเวลาที่จะต้องสลาราชสมบัติถึงเวลาที่จะต้องออกไปสวงหารถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงแล้วจึงได้หนีออกจากพระราชวังไปโดยมีมหาเล็กตามไปส่งหนึ่งคน เพื่อเอาม้าที่พระ อ, องค์ได้ทรงประทับกับพระราชวังพอพ้นเขตพระนครพระองค์ก็ท่งทรงทร ง, งพระเครื่องทรงแต่งเป็นนักบวชทรงออกบวชในตอนนั้นนั่นแหละคืออุปสรร์อันแรก ที่ขวางกั้นผู้ที่จะต้องการหารถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงอันนี้เป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนส่วนใหญ่เพราะคนส่วนใหญ่อย่างพวกเรานี้เกิดมาได้มาอยู่ได้ ก็าอาศัยความสุขที่เราได้จากลาบยศสระเสริญจากรูปเสียงกลธธิ่นลดผลทพ้าต่างๆการที่จะให้พวกเรานี้สละความสุขของลาบยศสระเสริญของรูปเสียงกลิ่นลดเพื่อไปส่แสวงหาความสุขจากลดแห่งธรรมนี้จึงเป็นของที่ยากมาก แต่ก็ไม่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยเป็นสิ่งที่ถ้ามีความยินดีในรถแห่งธรรมอย่างแรงกล้าก็จะมีพลังมีกำลังใจที่จะตัดความสุขของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรลไปได้แต่จะต้องอาศัย ธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้นําพาไปคือสอนให้เรารู้จักวิธีหาความสุขจากรถแห่งธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นการหาแบบเล็กๆน้อยๆในเบื้องต้นก็จะเป็นเหมือนกับเป็น หนังตัวอย่างที่จะทำให้เราอยากจะได้ดูหนังจริงต่อไปเป็นเขาเรียกว่าแซมโปเป็นความสุขตัวอย่างที่ผู้ที่เป็นปุถุชนเป็นผู้คลองเหลือนอยู่นี้สามารถที่จะหาได้นี่คือสิ่งที่ผู้ที่ต้องการที่จะ หารถแห่งธรรมสัมผัสกับรถแห่งธรรมนี้ในเบื้องต้นจะต้องได้พบได้ยินได้ฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนว่าถ้าได้ปฏิบัติตามวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วจะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่เป็นรถที่เหนือกว่ารถทั้งปวงเป็นความสุข ที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราควรที่จะพุ่งเป้าไปหาคือลถของความสงบด้วยการฝึกปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตตภาวนาด้วยการสนับสนุนของการรักษาศีล และการทำบุญทำทานเพราะการทำบุญทำทานจะทำให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขได้ปกติ mm hmm. เราเวลามีเงินมีทองเราก็จะมักจะใช้เงินทองไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลึกภะนั่นเอง หาจนกระทั่งติดเป็นนิสัยเหมือนกับคนติดยาเสพติดจึงทำให้เรานี่ต้องคอยหาเงินหาทองมาอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้เอาเงินทองไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกิจลดปุทัภชาชนิดต่างๆกันจึงทำให้เรานี่ไม่มีเวลาที่จะมารักษาศีล มาฝึกการปฏิบัติจิตภาวนากันได้พระพุทธเจ้าก็เลยทรงสอนให้เราทำบุญทำทานให้เราหาความสุขจากการทำบุญทำทานแทนที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกิ่นรสผลพทพะชนิดต่างๆเพราะว่าเป็นความสุขคนละแบบกัน เป็นความสุขแบบไม่ติดความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์นี่เป็นความสุขที่ทาแล้วให้ติดจะต้องคอยหาคอยเสพอยู่เรื่อยๆแต่ความสุขที่เกิดจากการทำบุญทำทานนี้จะไม่ติดแล้วก็จะทำให้จิตใจมีความสุขดีกว่าความสุขที่ได้จาก การหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะแล้วก็ไม่ต้องทำบุญอยู่บ่อยๆทำบุญอยู่เรื่อยๆเหมือนกับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสที่จะต้องคอยหาอยู่เรื่อยๆวันไหนที่เราไม่ได้ทำบุญบุญเก่าที่เราทำไว้ก็มาสนับสนุนเราให้เรามีความรู้สึก เบา อ, อกเบาใจสบายออกสบายใจไม่เหมือนกับการเสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสวันไหนที่ไม่ได้เสพวันนั้นความสุขจะหายไปแล้วความทุกข์ความหงุดหงิดํำคาญใจก็จะเข้ามารบกวนใจคอยมาสร้างความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจเพราะว่า เป็นเหมือนกับการเสพยาเสพติดเนี่ยยาเสพ ต, ติดเวลาได้เสพก็มีความสุขแต่เวลาไม่ได้เสพนี้จะมีความทุกข์แต่การทําบุญนี้จะให้เรามีความสุขและเวลาที่เราไม่ได้ทําบุญเราจะไม่รู้สึกมีความหงุดหงิดลาคาญใจแต่อย่างใด การทำบุญนี้เป็นวิธีก้าการติดความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสทุกครั้งที่เราจะใช้เงินไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็เอาเงินนี้ไปทำบุญทำทานกันแทนทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปความอยากที่จะเสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะหายไป ความจำเป็นที่จะต้องดิ้นรนหาเงินหาทองเพื่อมาเสพมาซื้อรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะหมดไปจะทำให้เราไม่จำไม่ต้องดิ้นรนหาเงินหาทองแบบไม่มีวันหยุดไม่มีวันหย่อนแล้วทำให้เราเห็นว่าชีวิตของเรานี้มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ อยู่เฉยๆก็มีความสุขได้มีความสุขจากบุญที่เราได้ทำเอาไว้หรือบุญที่เรากำลังทำกันนี่เป็นขั้นต้นที่ทำไมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้คองเรือนทั้งหลายที่ยังใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆให้เปลี่ยน เปลี่ยนสิ่งที่ซื้ออย่าไปซื้อลูกเสียงกลิ่นแลถ้ามีเงินถ้าอยากจะมีความสุขให้ไปทำบุญทำทานไปซื้อบุญซื้อบุญมาให้ความสุขกับใจเป็นความสุขที่ไม่มีพิษไม่มีภัยไม่ทําให้รู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจเวลาที่ไม่ได้ทำบุญทำทานแล้วทำให้มีความสุขใจอิ่มใจ เวลาไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใดจะทําให้จิตใจนี้ไม่ต้องไปวุ่นวายหาเงินหาทองหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส ด, ด้วยวิธีการต่างๆโดยเฉพาะวิธีกระทําบาปก็จะไม่ต้องทํากันพอไม่มีความต้องการที่จะหาความสุข ก็เลยไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ไม่ต้องไปลักทรัพย์ไม่ต้องไปประพฤติผิดประเวณีไม่ต้องไปโกหกหลอกลวงไม่ต้องไปเดิมสุรายาเมามทำให้ผู้ที่ทําบุญทาทานนี้สามารถรักษาศีลห้าได้อย่างง่ายดายการรักษาศีลได้ก็ช่วยทำให้กำจัด อุปสรรคที่คอยกีดขวางทางสู่การเข้าถึงลดแห่งธรรมเพราะถ้าทาผิดศีลผิดธรรมก็จะต้องเกิดปัญหาตามมาอาจจะต้องมีเรื่องมีราวอาจจะต้องไปติดครุกติดตารางอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ก็ จ, จะหมดไปสำหรับผู้ที่ทำบุญทาทานได้ ผู้ที่เลิกหาความสุขจากการใช้เงินซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดผลภพได้ <S <S เราก็ไม่ต้องไปหาเงินหาทองแบบไม่ชอบผิดกฎหมาย <S <S ไม่ต้องไปชอ่อกงไม่ต้องไปโกหกหลอกลวงใคร <S <S หาเงินมาก็หามาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองเป็นหลักก็พอ <S <S พอมีเงินเลี้ยงปากเลี้ยงทองได้ก็พอ ก็จะทำให้ไม่ต้องหาเงินไม่ต้องเสียเวลาหาเงินหาทองมากจนเกินไปก็จะทำให้เกิดมีเวลาขึ้นมามีเวลาที่จะไปปฏิบัติธรรมได้ไปสร้างความสงบที่จะทำให้เกิดลดแห่งธรรมนี้ขึ้นมาได้นี่คือ ทาที่พระพุทธเจ้าสรงสอนให้ผู้ที่ยังไม่สามารถภาวนาได้ยังไม่สามารถไปปีกวิเวกได้ยังไม่สามารถไปถือศีลแปดได้ก็ให้เอาเงินเอาทองที่เอาไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้เอาไปทําบุญทำทาน การทำ บ, บุญทาทานนี่เลือกได้จะทำแบบไหนได้ไม่จำเป็นจะต้องทำกับวัดกับพระเท่านั้นถึงจะได้บุญได้ประโยชน์เหมือนกันประโยชน์คือการที่จะตัดการติดอยู่กับการเสพรูปเสียงกิ่ิรล ด, ด้วยเงินทองนี้เพียงแต่เอาทุกครั้งที่จะเอาเงินทองนี้ไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกิ่ิยล ก็เอาไปให้คนอื่นไปซื้อของหรือไปทำประโยชน์ให้คนอื่นให้คนอื่นซึ่งเป็นได้ทั้งมนุษย์เป็นทั้งได้ทั้งสัตว์เดี้ยลูกฉันทำแล้วจะเกิดความปพิ่มปิติเกิดความอิ่มเ อ, อิบใจเกิดความสุขใจขึ้นมาแล้วจะทำให้ความหิวความอยากที่จะเสพเลืกเสียงกินลดนั้นเบาบางลงไป จนไม่เป็นปัญหาทำให้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการหาเงินหาทองแบบไม่มีขอบไม่มีเขตก็จะทำให้ไม่ต้องทำงานมากทำให้มีเวลาที่จะมาฝึกปฏิบัติจิตตภาวน า, านี่คือมารักษาศีล แล้วก็มาปฏิบัติจิตตภาวนาเพราะการที่จะเข้าถึงรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงได้ต้องเข้าด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาเท่านั้นไม่มีวิธีอื่นที่จะทําให้จิตใจสงบได้ถ้าจิตใจไม่สงบรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาอ่านี่คือ ทำต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราบำเพ็ญกันให้ทําบุญทําทานแต่บางทีเราก็ไปหลงติดบุญกันไปหลงติดกับการรักษาศีลกันก็ยังไม่ไปภาวนากันเพราะว่าลืมไปว่าเป้าหมายของการทําบุญทําทานของการรักษาศีลนี้เพื่อเปิดทางให้เราได้เข้าสู่การภาวนากันะ ก็ติดอยู่กับการทำบุญไปทำบุญวัดนี้แล้วก็ไปทำบุญวัดนั้นทำบุญวัดนั้นแล้วก็ไปทำบุญที่โรงพยาบาลไปทำบุญอะไรต่างๆแล้วอยากจะทำกันมันกลายเป็นคนบ้าบุญไปติดบุญติดบุญลืมไปว่าบุญนี้เป็นเพียงเครื่องที่เครื่องมือที่เราจะมาใช้ในการ เอาอุปสรรคที่ขวางกาั้นการภาวนาให้ออกไปคนบางคนเข้าวัดทาบุญมาเป็นเป็นสิบปีแต่ไม่เคยภาวนาเลยทาบุญนักษาสียงห้าได้แต่พอพูดถึงเรื่องภาวนานี้ไม่รู้เรื่องไม่สนใจเพราะว่ามันยังมีตัวคอยกีดคอยขวางการภาวนาอยู่ หนึ่งก็คือกามาฉันทะถึงแม้ว่าจะเลิกใช้เงินใช้ทองซื้อรูปเสียงกิจลดต่างๆแต่มันก็ยังมีวิธีเสพรูปเสียงกิจลดโดยที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอยู่มันก็ยังติดติดดูทีวี ต, ติดดูนูน่นดูนี่ติดฟังนูน่นฟังนี่อะไรอยู่ติดการมีแฟนอะไรต่างๆอยู่ อันนี้เรียกว่ากามฉันทะความยินดีในการเสพกามผู้ที่จะไปภาวนาจึงจำเป็นที่จะต้องกำจัดดรืยระ ง, งับการมฉันทะด้วยการถือศีลแปดนี้จึงไม่ค่อยมีใครอยากจะถือศีลแปดกันเพราะว่ามัน <c oughs> ทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีสำหรับผู้ที่ ยังมีกามาฉันทะอยู่ผู <c oughs> ้ที่ยังมีแฟนอยู่เนี่ยก็ยังอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนผู <c oughs> ้ที่มีความสุขจากการรับประทานอาหารกับเครื่องดื่มชนิดต่างๆก็ยังอยากที่จะรับประทานอาหารอยากจะดื่มเครื่องดื่มตามความอยากของตนอยู่ผู <c oughs> ้ที่ชอบดูหนังดูละครดูมหรสย์บันเทิงต่างๆก็ยังอยากที่จะ ต่อไปผู้ที่อยากจะแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามของทางร่างกายก็ยังอยากจะทําต่อไปอยผู้ที่ยังอยากจะนอนบนเตียงอยู่รู้หลาเตียงสาํารานอนหลับนานๆนอนหลับสบายก็ยังอยากจะนอนแบบนั้นอยู่จึงทําให้การที่จะไปภาวนานี้เป็นของยากเย็นขึ้นมา เราจะทําอย่างไรถึงจะทําให้ฟันฝ่าอุปสรรคอันนี้ได้อันนี้ก็ต้องอาศัยการศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้เราเห็นคุณค่าของลดแห่งธรรมที่เราจะได้รับจากการภาวนาแล้วมันจะทําให้เราเห็นว่าการที่เราต้องมาอด กับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายนี้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพรา ะ, ะความสุขที่เราจะได้รับจากรถแห่งธรรมนี้เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาถ้าเรายังหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะอยู่ ความสุขที่เราได้มันเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็จะเป็นความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่เราไม่สามารถที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกิ่นสได้ซึ่งจะต้องมีวันใดวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งที่เราจะต้องมีอุปสรรคเช่นตอนนี้ไม่มีใครคาดฝัน ว่าอุปสรรคมากับตัวเชื่อโรคนี้ตอนนี้ตัวเชื้อโรคมาแพร่กระจายทำให้พวกเหล่านี้ต้องเก็บตัวกันอยู่ในบ้านออกมาหาความสุขนอกบ้านกันไม่ได้แล้วความรู้สึกเป็นยังไงที่จะต้องอยู่แต่ในบ้านความสุขที่เคยหาได้จากนอกบ้านนี้ก็หาไม่ได้ก็เป็นความทุกข์ขึ้นมา นี่เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เราควรจะเอามาสอนใจเตือนใจว่าถ้าเรายังหาความสุขในรูปแบบนี้อยู่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่เราก็จะต้องเจอ <c oughs> อุปสรรคเจอปัญหาเจอความทุกข์อย่างแน่นอนอันนี้เป็นหนึ่งในอุปสรรคเท่านั้นคือตัวเชื่อโลกเนี่ย มีอย่างอื่นอีกเยอะแยะอยู่ในโลกนี้มีภัยเยอะแยะภัยทางธรรมชาติไฟน้ำท่วมไฟยแลง้ลงภัยแล้งภัยอะไรต่างสงครามภัยอะไรต่างๆมันมีมาเกิดอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็จะทำให้ชีวิตของเราที่เคยมีความสุขนั้นกลายเป็นความทุกข์ไป นี่คือสิ่งที่เราควรจะศึกษาเพื่อที่จะมาสอนใจให้เห็นโทษของการที่เราติดอยู่กับการหาความสุขทางตาหูจมูกเกิ่นกายให้เห็นว่ามันนี่มันเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันจะทำให้มันจะทาลายความสุขที่เราเคยมีกันได้แล้วจะผลิตแต่ควัน ทุกให้พวกเราต้องเสกต้องสัมผัสกันนอกจากภัยภายนอกแล้วก็ยังมีภัยในร่างกายของเราเองที่มันติดมากับการเกิดเมื่อมีร่างกายแล้วร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอเวลามันแก่เวลามันเจ็บเวลามันตายมันก็จะทําให้เราไม่สามารถ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้นี่คือสิ่งที่เราต้องเอามาคิดถ้าเราคิดไม่เป็นก็ต้องพยายามอ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่ารูปเสียงกิริยลดผลตภะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตาหูจมูกลิ้นกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความสุขที่ได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา พอเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้เห็นภัยที่จะเกิดขึ้นเห็นความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตของเราเหมือนกับที่เจ้าชายสิทธัตถะได้เห็นในขณะที่ได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นนักบวชก็ทรงรู้ว่าทางออกที่ดีที่สุดก็คือ ทางออกของนักบวชนั่นเองคือการหาความสุขจากการทําใจให้สงบคือลดแห่งธรรมนี่เองความสงบของใจนี่แหละที่เรียกว่าลดแห่งธรรมที่เป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพึ่งการภาวนานี่เท่านั้นเอง คือการเจริญสมถภาวนาและการเจริญวิปัสสนาภาวนาการภาวนานี้มีสองขั้นเพราะความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มีสองระดับด้วยกันระดับชั่วคราวและระดับถาวรการเจริญความสงบนี้ก็ต้องเจริญจากขั้นที่หนึ่งคือขั้นชั่วคราวไปก่อน เมื่อได้ขั้นชั่วคาวแล้วถึงจะสามารถเจริญขั้นที่สองคือขั้นที่ถาวรได้เพราะว่าถ้าเรายังไม่มีขั้นที่หนึ่งเราจะไปทำให้ขั้นที่หนึ่งกลายเป็นขั้นที่สองได้อย่างไรเราต้องแปลงขั้นที่หนึ่งคือความสงบชั่วคาวให้กลายเป็นความสงบที่ถาวรการภาวนาจึงมีการแบ่งไว้เป็นสองขั้นด้วยกัน การที่หนึ่งเรียกว่าสมถภาวนาการทำใจให้สงบเป็นพักๆเวลาใจสงบใจก็จะมีความสุขสงบเป็นพักๆใจก็จะมีความสุขเป็นพักๆเวลาไม่สงบความสุขนั้นก็จะหายไปความทุกข์ความวุ่นวายใจก็เข้ามาได้ถ้าไม่รู้จักวิธีป้องกันหึก วิธีกำจัดนี่ะสมถภาวนาขั้นที่หนึ่ง ว, วิปัสสนาภาวนาขั้นที่สองแต่ละขั้นนี้ไม่ทำปนกันต้องแยกทำกันเป็นขั้นไปแต่ถ้าเวลาชำนาญแล้วนี่สามารถสลับทำกันได้อย่างรวดเร็วได้แต่ในเบื้องต้นถ้ายังไม่มีสมถภาวนา ยังไม่มีความสงบแบบชั่วคราวก็ต้องทุ่มการปฏิบัติไปสู่การสร้างความสงบแบบชั่วคราวก่อนพอได้ความสงบแบบชั่วคราวแล้วก็สามารถที่จะก้าวขึ้นไปสู่การกระทำความสงบแบบชั่วคราวนี้ให้เป็นความสงบแบบถาวรได้ต่อไป <c oughs> พอได้ความสงบแบบถาวรแล้วการปฏิบัติก็ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติต่อไปเพราะถ้าเป็นความสงบที่ถาวอแล้วมันจะไม่มีวันเสื่อมอีกต่อไปมันจะไม่กลับมาวุ่นวายใจเหมือนกับขั้นของสมถ ภ, ภาวนาที่สงบแล้วเวลาออกจากความสงบมาก็ยังมาวุ่นวายใจได้แต่ถ้าสงบแบบถาวลด้วยวิปัสสนาภาวนาแล้ว จิตจะไม่กลับมาวุ่นวายใจอีกต่อไปพอจิตได้กําจัดตัวที่มาสร้างความวุ่นวายใจให้กับจิตนั่นเองจึงไม่มีความวุ่นวายใจหลงเหลืออยู่ภายในใจของผู้ที่ได้เจริญวิปัสสนาภาวนาอย่างสมบูรณ์แล้วความสุขหรือความสงบก็กลายเป็นปรมังสุขขังไป เป็นความสุขที่สมบูรณ์เป็นความสุขที่เลิศที่ประเสริฐเป็นความสุขที่สูงสุดเรียกว่าปารมังสุดยอดของความสุขเพราะเป็นความสุขที่แน่นอนที่ถาวรไม่มีวันสิ้นสุด เ, เพราะจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายไปกับร่างกายจิตใจนี้ไม่มีวันตาย จิตใจมาเกาะติดกับร่างกายแล้วทำให้จิตใจหลงไปคิดว่าตนเองเป็นร่างกายยึงไปคิดว่าตนเองตายไปกับร่างกายแต่ความจริงจิตใจนี้ไม่ได้ตายพอตายจากร่างกายอันนี้ไปจิตใจก็ไปหาร่างกายอันใหม่พอจิตใจไม่มีความสุขสมบูรณ ไม่มีปลมังสุขขังอยู่ในใจของตนจําเป็นที่จะต้องใช้ร่างกายเป็นส่วนเป็นเครื่องมือหาความสุขจึงต้องไปเกิดใหม่ไป ม, มีร่างกายแล้วก็ต้องไปทุกข์กับการมีร่างกายเพราะร่างกายนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เวลามีการแก่การเจ็บการตายก็มีความทุกข์ตามมามเพราะร่างกายเป็นสิ่งที่ไปไม่มีใครไปห้ามใบบังคับไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้ร่างกายเป็นอนัตตาไม่เป็นสมบัติของใคร อ, อนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของมีธรรมชาติเป็นเจ้าของคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ ที่จะต้องแยกออกจากกันไม่ช้า ก, ก็เร็วเพราะธรรมชาติของดินน้ําลมไฟนี้จะอยากจะไปรวมอยู่กับธรรมชาติของตนดินก็อยากจะอยู่กับดินน้ําก็อยากจะอยู่กับน้ําลมก็อยากจะอยู่กับลมไฟก็อยากจะอยู่กับไฟนั้นเวลาที่เอาดินน้ําลมไฟมาผสมปูงแต่งให้เป็นร่างกายขึ้นมา ตัวดินน้ำลงไฟที่ถูกบังคับให้มาผสมปรุงแต่งเป็นร่างกายมันก็พยายามที่จะกลับคืนสู่ที่เดิมของมันจึงทําให้ร่างกายต้องมีวันเสื่อมวันสลายวันแตกดับไปพอเกิดการเสื่อมเกิดการสลายเกิดการแตกดับก็เกิดปัญหากับใจเพราะใจที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข จากรูปเสียงกลิ่นรสผุทะพะต่างๆก็จะไม่สามารถหาได้แต่ใจที่ไม่รู้ใจที่ไม่มีความสุขภายในใจก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นร่างกายไปเรื่อยๆพอร่างกายนี้จบลงใจก็จะไปหาร่างกายอันใหม่แล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ไปเริ่มต้นเลี้ยงร่างกายเลี้ยงดูร่างกายให้จเจริญเติบโต พอจเจราญเติบโตสามารถไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็จะไปหากันไปอยู่เรื่อยๆจนกว่าไม่สามารถที่จะหาได้ก็คือตายตายแล้วก็กลับมาใหม่อย่างนี้ทำอย่างนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานจำนวนภพชาติของการมาเกิดนี้นับไม่ถ้วนมากมายมหาศาล นราจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตราบใดที่ไม่ได้มาพบกับรสแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงรถของความสุขที่เป็นปรมังสุขขังเป็นความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดเท่านั้นถึงจะยุติการมาเกิดแก่เจ็บตายได้และการที่จะมาได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมนี้ก็ต้อง มาเจอคนที่ได้พบกับลถแห่งธรรมแล้วก็คือพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลแรกหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้พบแล้วพระพุทธเจ้าก็นำอาอกไปแชร์เอาไปแจกให้กับผู้ที่ไม่รู้ผู้ที่มีความสามารถเข้าถึงลถแห่งธรรมได้ก็จะเข้าถึงได้และก็จะสามารถเป็นผู้ นำลดแห่งธรรมนี้มาแจกใจ่ายให้กับผู้อื่นต่อไปได้ท่านเหล่านี้เราเรียกว่าพระอรหันตสาวกเนี่ยเป็นผู้ที่รับลดแห่งธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เอามามอบให้กับผู้อื่นต่อไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าทําหน้าที่แบ่งลดแห่งธรรมให้กับผู้อื่นได้เพียงสี่สิบห้าปีเท่านั้น เพราะว่าร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ต้องสิ้นสุดลงหลังจากที่สงตัจรูตอนนั้นมีพระชนมายุสามสิบห้าปีพระองค์ก็ทรงสแสดงธรรมในวันอาสาหาบูชาเอารถแห่งธรรมมาประกาศให้ชาวโลกได้ยินได้ฟังผู้ที่ได้ยินได้ฟังกลุ่มแรกคือพระอัญญา、พระปัญจวัคคีพอท่านได้ยินได้ฟังท่านก็สามารถ ปฏิบัติและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเพราะท่านได้ฟันฝ่าอุปสรรคอื่นๆที่ขวางกันมาเกือบหมดแล้วท่านได้ออกบวชแล้วท่านได้ตัดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วท่านมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบจากการภาวนาขั้นที่หนึ่งคือสมถะภาวนาแล้วท่านก็มาติดที่ตรงนั้นเพราะว่าไม่รู้ว่า มีการภาวนาระดับที่สองที่เรียกว่าวิปัสนาภาวนาไม่มีใครรู้ในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้ารู้แค่ขั้นที่หนึ่งเท่านั้นรู้วิธีที่จะทำใจให้สงบแล้วก็ทำให้ใจมีความสุขเวลาที่อยู่ในความสงบนั้นแต่พอออกจากความสงบมาพอไปเห็นหรือไปได้สัมผัสกับเรื่องบางเรื่องบางสิ่งบางอย่าง ก็ทำให้เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ก็ไม่มีใครรู้ว่าจะทำยังไงให้มันไม่ทุกข์ได้ไม่วุ่นวายใจได้รู้เพียงวิธีเดียวถ้าวุ่นวายใจมากๆก็เข้าไปในสมาธิใหม่ความวุ่นวายใจก็หายไปชั่วคราวเดี๋ยวพอออกมามาเจอเรื่องเก่าอีกก็วุ่นวายใจนีย ไม่มีใครรู้ว่าจะทำยังไงเวลาออกจากสมาธิมาแล้วจะทําให้ไม่ต้องวุ่นวายใจกับเรื่องราวต่างๆที่ต้องมาสัมผัสรับรู้พระพุทธเจ้าก็ทรงศึกษาก็ได้แค่ขั้นนั้นจากครูบาอาจารย์ต่างๆจนในที่สุดก็เลยต้องไปค้นคว้าหาด้วยตนเองลองผิดลองถูกทดลองด้วยการทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆ ก็ยังไม่สามารถกําจัดความไม่สบายใจต่างๆให้หายไปได้จนในที่สุดก็ <c oughs> มาค้นพบว่าปัญหาอยู่ที่ใจต้องมาแก้ที่ใจวิธีที่แก้ก็ลองก็ลองเปรียบเทียบดูเวลาใจสงบเป็นยังไงเวลาใจสงบไม่มีความคิดไม่มีความอยาก เวลาใจไม่สงบมีความคิดมีความอยากขึ้นมาก็เลยเห็นว่าเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาก็คือตัวความคิดที่คิดไปในทางความอยากต่างๆนีๆน่พออยากแล้วใจก็ไม่สบายใจขึ้นมาอยากไม่แก่ก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ก็ไม่สบายใจขึ้นมาอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ก็ไม่สบายใจขึ้นมา อยากไม่ตายพอรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ก็ไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าหยุดความอยากเปลี่ยนใจซะเมื่อมันเป็นไปไม่ได้ไปอยากมันทำไมก็ปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปพอปล่อยได้พอยอมปล่อยใจกลับสงบขึ้นมาใจกลับหายวุ่นวายใจขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นใจก็ไม่ไปทุกข์กับมันอีกต่อไปทุกครั้งที่คิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตาย ก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะความอยากตัวที่ทำให้ใจเดือดร้อนมันไม่มี น, นั่นเองพอยอมรับความจริงเห็นความจริงแล้วรู้ว่าฝืนความจริงไม่ได้เปลี่ยนความจริงไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงใจน้อมรับความจริงพ อ, อน้อมรับแล้วใจก็ปล่อยวางไม่ฝืน ไม่ไปต่อต้านความแก่ไม่ไปต่อต้านความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต่อต้านความตายพระองค์ก็เลยทรงหลุดพ้นจากความทุกข์พอดูว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากพอทุกครั้งที่ออกจากสมาธิมาพออยากกับเรื่องอะไรปั๊บก็หยุดมันทันทีด้วยการพิจารณาความจริงของเรื่องนั้นว่าเป็นไปได้ตามความอยากหรือไม่เมื่อเป็นไปไม่ได้ก็อยากไปอยากให้มันเสียเวลา ให้ไปทุกไปเปล่าๆแต่ถ้าสิ่งไหนอยากได้ก็ทำไปอยากได้แล้วทำได้มันก็ไม่ทุกข์อันนี้พระองค์ก็เลยส่งค้นพบวิธีที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลว่าสาเหตุของความทุกข์ใจเกิดจากอะไรก็เกิดจาก ความอยากต่างๆนี่เองเกิดจากกามรตันหาภวะตันหาและวิภาวะตันหาพอรู้ว่าการไปอยากแล้วจะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็หยุดอยากอยู่กับความจริงไปไม่ต้องไปเสพกามะตันหาก็อยู่ได้มีความสุขได้จิตที่ไม่มีความอยากนี้กับมีความสุขเพราะเป็นความสุขที่ดีกว่า ความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบด้วยสติเพราะความสงบด้วยสติเป็นความสงบแบบชั่วคราวความสงบด้วยการหยุดความอยากนี้เป็นความสงบแบบถาวรพระองค์ก็เลยได้ส่งคนพบวิธีดับความทุกข์ใจต่างๆส่งคนพบวิธีทำความสงบของใจที่เป็นความสงบแบบชั่วคราวให้เป็นความสงบแบบถาวร อันนี้เป็นขั้นที่สองของการปฏิบัติขั้นแรกต้องทําใจให้สงบก่อนทําให้ชํานาญก่อนสามารถทําใจให้สงบได้ตลอดเวลาก่อน mm hmm. เพราะว่าถ้ายัางทําไม่ได้นี้เวลาที่จะมาใช้วิปัสสนานี้จะต้องอาศัยความสามารถการทําใจให้นิ่งเพื่อปล่อยวางความอยากเพื่อล้าความอยาก ถ้าใจนิ่งแล้วจะละความอยากได้แต่ถ้าใจไม่นิ่งเดี๋ยวทนไม่ไหวทนสู้กับความอยากไม่ไหวถึงน่าจะรู้ว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าใจไม่นิ่งสู้มันไม่ไหวแต่ถ้าใจนิ่งแล้วปล่อยให้ความอยากมันดิ้นไปเดี๋ยวความอยากมันหมดกําลังเองพอหมดกําลังแล้วมันก็เหมือนกับเชือกขาดเชือกที่ตึงอยู่นี่มันจะขาด ตัวที่ทำให้ใจเราเครียดเราตึงนี่ก็คือความอยากเนงพอเราปล่อยให้มันอยากไปจนสุดฤทธิ์ของมันมันมันมันหยุดดิ้นละมันหยุดอยากปับ๊บนี่เราจะเห็นเลยว่าอ๋อความเครียดความตึงต่างๆในจิตเรานี้หายไปรู้เลยว่าอ๋อตัวนี้ตัวเดียวที่ทำให้ใจเราเครียดกันก็คือความอยากต่างๆอันนี้เป็นสันติโกะมันจะต้องเห็น เวลาที่จะเวลาที่ต้องเจอความอยากแล้วก็ต้องสู้กับมันให้ได้ต้องไม่ไปทําตามความอยากให้ได้ต้องอาศัยกําลังของสมาธิคือสมัธะ ภ, ภาวนาหรืออุเบกขาพอมีสมาธิแล้วมีอุเบกขาแล้วเราจะใช้อุเบกขานี้สู้กับความอยากได้พอเกิดความอยากพิจารณาได้ปัญญาว่าจะต้องพาไปสู่ความทุกข์แบบไม่มีวันสิ้นสุดก็ ไม่ไปอยากมันดีกว่าปล่อยให้มันอยากไปในใจให้มันคิดปรุงแต่งไปจนกระทั่งมันหมดเล็ดของมันเองพอมันหมดเล็ดแล้วทีนี้มันก็จะไม่อยากอีกต่อไป น, นี่คือการทําให้ความสงบที่ได้จากสมถะภาวนากลายเป็นความสงบแบบถาวรก็คือการใช้วิปัสสนาใช้เหตุใช้ผลนี่ใช้ความจริง ว่าความเครียดความทุกข์เกิดจากความอยากการที่จะทำให้ความเครียดความอยากหายไปก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็คือความจริงว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นั้นมันไม่สามารถให้เราสมหวังได้ไปตลอดเวลาได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็จะทำให้เราผิดหวังทำให้เราทุกข์ต่อไป วิธีที่ดีที่สุดก็คืออย่าไปหาความสุขจากการทำตามความอยากต่างๆให้หาความสุขจากการฝืนการกระทำความอยากพอความอยากหยุดทำงานปับ๊บความสุขก็จะเกิดขึ้นมาทันทีใจจะเบาใจจะโลง่งใจจะเย็นขึ้นมาทันทีเวลาที่เราอยากได้แล้วแล้วพอรับเปลี่ยนใจไม่เอาก็ได้วะเท่านั้นหละมันโล่งขึ้นมาทันทีเลย เวลาที่เรายังอยากได้อยู่นี่มันเครียดอยู่ตลอดเวลาพอรู้ว่าไม่ได้แล้วไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจปั๊บพอไม่เอาดีกว่าได้แล้วพอหยุดความอยากได้เท่านั้นความทุกข์ก็จะหายไปแล้วมันก็จะไม่ไปอยากกับ ไ, ไอ้สิ่งนั้นอีกต่อไป <c oughs> <c oughs> นี่แหละคือลดแห่งธรรมที่ชนะรดทั้งปวงที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรกัเวลา จะขออนุโมทนาให้พรยะท้าวารวหาปุราปริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอ ah ุปปักปติอิชิตังปัชิตังตุ่มห um ังคิปเมวะสมิจจตุสะเพปุเรนตุสังกะปา จันทูปันะราโสยถาไมณิโชตาราโสยถาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโควินาศโตมาเตภวาตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะาภิวาตนาสีฤทธสานิจจังวุฒาปจายโน จตาโรโหเทมาวนติอายว น, นสุขังพาลาาัเป็นยังไงวันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่ก า, การนมัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้ทางเฟซบุ o กห้าร้อยสิบค่ะทางยูทูบสองร้อยสามสิบเจ็ดทางวิทยุอออนไลน์แปด รวมทั้งสิ้นเจ5ดรอยห้าสิบห้าค่ะ ม, มีใครส่งคำถามเข้ามาบ้างหรือยังถ้ามีก็ถามไปได้มีคำถามฝากถามนะคะผมภาวนาได้ชานสี่แค่กำหนดลมหายใจสองถึงสามครั้งก็สงบสงบครั้งหนึ่งก็สองถึงสามชั่วโมง ผมควรต้องได้วสีห้าก่อนใช่หรือไม่จึงจะสามารถเจริญอรูปฌานได้และต้องชำนาญในฌานถึงขั้นไหนเช่นลืมตาอยู่พูดคุยอยู่ก็สามารถเข้าฌานได้เลยหรือเปล่าครับต้องชำนาญในฌานวสีห้าถึงขั้นนี้ไหมจึงจะสามารถเจริญอรูปฌานต่อได้ครับความจริงการเจริญภาวนานี้ ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสู่ขั้นอรูปฌานขั้นรูปฌานคือขั้นรูปฌานสี่เพื่อให้ได้อุบเบกขานี้ก็พอเพียงต่อการที่จะไปสู่การปฏิบัติขั้นวิปัสสนาต่อไปคือขั้นไปหยุดความอยากต่างๆต่อไปได้แล้วไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องอรูปฌานอารูปฌานนี้ ก็จากสมัยที่ไม่มีวิปัสสนาคนก็เลยคิดว่าจากรูปฌานก็ต้องไปสู่อรูปฌานเพราะจะได้ความสงบที่ละเอียดลึกซึ้งกว่าแต่มันก็ไม่ต่างจากรูปฌานเพราะว่ามันอยู่ได้ไม่นานก็ต้องออกมาออกมาก็ต้องมาเจอกับตันหาความอยากแล้วถ้าไม่รู้ว่าตันหาความอยากนี้เป็นตัว ที่เป็นปัญหาที่จะาต้องกําจัดต้องฝืนก็จะไม่ฝืนกันไม่ปล่อยให้ตันหามันออกมาแสดงตัวเองอย่างกล้าหาญแต่พอเรามีพระพุทธเจ้าท่งมาค้นพบว่าตัวที่เราต้องการกําจัดนั่นคือตัวตันหานี่เองกามตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหา เพราะเป็นตัวที่พาให้เราต้องทุกขกันอยู่พาให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือตัวที่เราต้องกำจัดจะ ก, กำจัดมันได้เราต้องมีอุเบกขาที่ได้จากรูปฌปานขั้นที่สี่แล้วก็ประกอบกับเหตุผลทางปัญญาคือให้เห็นว่า สิ่งต่างๆที่เราอยากได้ในโลกนี้มันไม่เที่ยงได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องทุกข์อยู่ดีสู้ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีมันจะดีกว่ายกตัวอย่างคนอยู่คนเดียวนี้ถึงแม้จะทุกข์ก็ยังทุกข์น้อยกว่าเวลาไปมีแฟนมีครอบครัวมีลูกมีเต้ามันจะเป็นทุกข์ที่ทวีคูณกว่าความทุกข์ที่เกิดจากความเหงาความที่ไม่มีเพื่อนความว้าเหว แต่พอไปมีแฟนมีครอบครัวขึ้นมานี่โอ้ไม่รู้เรื่องอะไรเข้ามาปวดหัวไปตั้งแต่เช้าจนเย็นอันนี้ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นถึงผลที่จะตามมาถ้าไปทำตามความอยากเราก็จะทำให้สกัดหรือหยุดความอยากได้ถ้ามีอุบเบกขาถ้าไม่มีอุบเบกขาจากฌานรูปฌานขั้นที่สี่จะสู้ไม่ไหวถึงแม้จะรู้ว่าทุกข์ก็ เอาว่ามันเป็นของนอนาคตตอนนี้สุกก่อนก็แล้วกันดีกว่าเหงาดีกว่าอยู่คนเดียววะตอนนี้ขอให้มีแฟนก่อนเถิดเราจะทุกกับแฟนทีหลังก็ค่อยว่ากันใหม่แล้วพอถึงเวลานั้นก็มาน้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจรู้อย่างนี้กูไม่ไม่มีดีกว่า <laughs> นั่นแหละเพราะไม่มีชาญสีไม่มีอุเบกขา ไม่มีปัญญาที่จะมองเห็นภาพของอนาคตที่จะตามมายันไม่ต้องกังวลเรื่องอรูปฌานทางการปฏิบัติธรรมนี้เราไม่ต้องการารูปอรูปฌานหรือเราเพียงแต่ต้องการฌานเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองเราต้องการอุเบกขาจากรูปฌานขั้นที่สี่เพื่อที่เราจะได้เอามาสนับสนุนในการใช้ปัญญาเพื่อสู้กับความอยากต่างๆ อย่างคุณที่สิ่งที่คุณควรจะสนใจเวลาออกจากสมาธิมาก็คือคอยดูจิตใจของคุณว่ากําลังอยากกับอะไรหรือเปล่าถึงแม้ว่าความอยากบางครั้งมันยังไม่ดุนแรงหรือว่ามันไม่แสดงผลที่มันถ้ามันรู้สึกว่าเราทุกข์อยู่เราก็ต้องเราก็ต้องเตือนสติเราว่าฮ้ย ใ, ในตัวนี้นะที่พระเจ้าสอนว่าอยากต้องต้องฆ่ามันนะไม่ใช่ไปส่งเสริมมันเอ ค่ามันด้วยใจรักค่ามันด้วยความไม่เที่ยงความไม่อไม่สวยไม่งามอะไรต่างๆส่วนใหญ่เราจะไปหลงไปรักไปชอบว่ามันสวยมันงามมาันน่ารักน่าดูกันแต่เราต้องดูเวลามันเปลี่ยนไปเพราะไม่มีอะไรใ น, ในโลกนี้ที่จะน่ารักน่าดูน่าชมไปตลอดมันต้องมีเวลาเปลี่ยนไปต้องใช้ปัญญาเพื่อที่จะมากําจัดความอยาก เพราะถ้าไม่มีความอยากแล้วใจของเราจะสบายไม่ต้องเข้าฌานให้เหนื่อยไม่ต้องเข้าอารูปฌานมันเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากอารูปฌานก็คือถ้าสมมติว่าเข้าฌานสี่พอจากฌานสีมา ก, ก็ให้สังเกตกิเลสที่จะเกิดขึ้นในในชีวิตประจาาําวันแล้วก็ค่อยๆกํากจัดมันด้วยใจร<อ>ักด้วยปัญญา แต่ถ้ายังไม่มีสมาธิที่เข้มแข็งก็ยังไม่ต้องไปสนใจพยายามฝึกสติไปก่อนคอยควบคุมคอยหยุดความคิดเพื่อให้เราสามารถเข้าสมาธิได้อย่างรวดเร็วอย่างง่ายได้ก่อนพอเรามีความชานาญที่จะเข้าสมาธิเพื่อไปดึงเอา <c oughs> อุบเบกขาออกมาจากสมาธิได้แล้วทีนี้เราค่อย ไปสังเกตดูเฮ้เราชอบไอ้นั่นหรือเปล่าเราอยากได้อันนี้หรือเปล่าอยากเป็นนั่นเป็นนี่หรือเปล่าตอนนั้นก็ต้องบอกไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะแล้วก็ GA, มันก็ถ้ามันรู้ไวมันก็จะหยุดได้ง่ายแต่ถ้ามันไม่ทันมันเดี๋ยวมันลุกเป็นไฟขึ้นมาก็จะหยุดมันยากขึ้นถ้ามีาาสติดีคอยเฝ้าดูจิตเวลาออกจากจากความสงบแล้วดูไวตัวนี้นะดูตัว สามตัวกามาตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาเนี่ยว่ามันออกมาออกมาเพ่นพ่านหรือยังมาเพ่นพ่านก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาไตรลักษณสุภาหรืออะไรไปแล้วแต่กรณีที่จะทําให้ความอยากนั้นหายไปจากคุณกระหนกกรค่ะน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ ทางที่ทํางานของหนูให้ทํารายการธรรมะประจําวันประมาณยีสนาทีหนูขอกราบอนุญาตนําธรรมะของพระอาจารย์ไปอ่านให้ทางผู้ฟังได้ฟังจะเป็นการสมควรใหม่เจ้าค่ะกราบขอเมตตาเจ้าค่ะถ้าเป็นธรรมทานก็เชิญเลยถ้าไม่ได้เป็นทําเพื่อได้รับผลประโยชน์ไปขายไปอะไรต่างๆเป็นสินค้าธรรมะนี้เป็นของแจกฟรีจากพระพุทธเจ้า คำถามจากคุณวิโรดค่ะกับเรียนพระอาจารย์ตอนนี้มีทุกขเวทนาทางกายมากทุกๆวันพระอาจารย์ช่วยแนะนำให้ด้วยครับเบื่อชีวิตมากไม่มีค่าอะไรเลยก็ต้องภาวนาแล้วจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดเมื่อไม่เกิดแล้วต่อไปก็จะไม่มีร่างกายที่จะทำให้เราทุกข์ ดังการภาวนานี้จะแก้ปัญหาได้ทั้งปัจจุบันและอนาคตเพราะเวลาเราภาวนาได้ใจเราสงบใจเราจะไม่ทุกข์กับความเจ็บปวดของทางร่างกายความเจ็บปวดของทางร่างกายนี้เป็นส่วนย่อยส่วนใหญ่เป็นความเจ็บทางใจที่เกิดตามมาจากการเจ็บป่วยของร่างกายพอร่างกายเกิดความเจ็บป่วยก็เกิดความอยากให้มันหายหรือไม่อยากให้มันเป็น แต่พอมันเป็นไปไม่ได้มันก็เกิดความทุกข์เกิดความเครียดขึ้นมาในใจแต่พอเรามาภาวนาพุโทโธนั่งสมาธิทำใจให้สงบความอยากก็จะหยุดไปชั่วคราว<ม>ก็เหลือแต่ความเจ็บทางร่างกายที่ไม่ใช่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่เท่ากับความเจ็บของทางใจความเจ็บทางใจอาจจะเก้าสเอร์ซนเมื่อเปรียบเทียกบกับความเจ็บทางร่างกายซึ่งเป็นเพียงสอร์เท่านั้น เหมือนกับเวลาหมอบอกจะฉีดยานี่ความเจ็บทางใจมาก่อนแล้วไอมทุกทางใจขึ้นมาก่อนแล้วทั้งๆที่หมอยังไม่ได้ฉีดยาเลยแล้วพอหมอฉีดจริจงๆเป็นยังไงโห้ยเหมือนกับโอนมดกัด น, นิดเดีย ว, วนันเองอันนี้แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับถ้าเรามาฝึกภาวนากันมาเจริญสติบริกรรมพุโทโธพุธโทโธขวดมนฟังเทศฟังธรรม วิธีการเหล่านี้เป็นวิธีที่จะช่วยทำให้เราร ง, งับความอยากในใจของเราอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้มันหายแล้วมันก็จะทำให้ใจเรานิ่งสงบใจเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของทางร่างกายและถ้าเราภาวนาะได้จนถึงขั้นําเร็จขั้นขั้นสูงสุด เราก็จะไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไปเมื่อไม่มีร่างกายเราก็ไม่ต้องมาเจ็บกับร่างกายอีกต่อไปเยันวิธีที่ดีที่สุดก็คือหัดภาวนาเสียตั้งแต่บัดนี้ง่ายๆขอให้ใจเรามีพุทธโธมีอะไรคอยหยุดความคิดต่างๆเท่านั้นเองพุทธโธก็ได้สวดมนต์ก็ได้ฟังเทศฟังธรรมไปก็ได้แต่และ ว, วิธีมันก็ได้ประโยชน์มากน้อยต่างกัน ก็ขึ้นอยู่ว่าเราสามารถใช้ไหนใช้วิธีไหนได้เราก็ใช้วิธีนั้นไปก่อนแล้วเราค่อยขยับไปสู่วิธีที่ยากขึ้นที่ได้ผลมากขึ้นต่อไปคำถามจากคุณไพฑูรย์ค่ะผู้ปฏิบัติธรรมที่จะฝึกความสมถะมักน้อยสันโดษไม่ควรแต่งตัวหรูหราเก๋ไก๋แต่ต้องให้ถูกการละเทศะหรือไม่ครับถ้าเรายังอยู่ในสังคมอยู่มันก็ต้อง เขาลบกฏกติกาของสังคมที่ท่านเรียกว่าให้รู้จักสังคมเลยสังคมเราไปงานศพเราไปใส่ชุดสีเขียวแดงเดี๋วก็โดนก็โห่ไล่นี่ไปงานแต่งงานก็ไปใส่ชุดดาเดี๋ยวเขาก็ไล่กลับบ้านอันนี้เราก็ต้องถ้าเรายังเข้าสังคมอยู่เราก็ต้องให้รู้จักกาลเทศะความเหมาะสมในการแต่งกายแต่ไม่จําเป็นจะต้องใช้ สินค้าราคาแพงๆสินค้าราคาถูกก็สามารถใช้งานได้เท่าเท่าเทียมกับชุดงานศพราคาหมื่นกับชุดงานศพราคาพันมันก็ใช้ได้เหมือนกันเวลาคนเขาเห็นเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นชุดหมื่นหรือเป็นชุดพันเขาดูว่าเราเป็นคนรวยและคนจนมากกว่า ถ้าเราคนจนเราใส่ชุดหมื่นเขาก็คิดว่าเราใส่ชุดพันอยู่ดีถ้าเราเป็นคนรวยเราใส่ชุดพันเขาก็คิดว่าเราใส่ชุดหมื่นอยู่ดียังไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของความคิดของทางสังคมอย่างนั้นแต่ก็ต้องเขารบในในความเหมาะสมของสังคมเขาแต่งกายอย่างไรในงานอย่างไรเราก็ต้องคนจะแต่งกายให้สอดคล้องกับงานนั้นๆไปเพื่อเราจะได้ไม่เป็นตัวที่เขาจะรังเกียจ แรื่ที่ทำให้วงแตกเขาจะไม่ยินดีไม่ต้อนรับต่อไปคำถามจากคุณพรภัทรค่ะนั่งฟุงมากค่ะดึงกลับมาก็ฟุงอีกค่ะนั่งตอนเช้าไหว้พระเสร็จนั่งยี่สิบนาทีค่ะทำยังไงไม่ให้ฟุงค่ะก็ไหว้สวนมนต์ต่อไปเสียถ้านั่งเฉยๆมันฟุงก็สวดมนต์ไป พาเราขี้เกียจเราอยากจะนั่งเฉยๆเราอยากจะให้มันสงบแต่ใจของเรายังไม่มีกำลังที่จะไปหยุดความคิดต่างๆได้มันก็เลยฟุง้งเั็นเราอย่านั่งเฉยๆนั่งสวดมนต์ต่อไปนั่งในท่าสมาธิสวดไปภายในใจแทนน้ำมัสการถามครับผมสามารถภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆพร้อมกันได้ไหมครับหรือต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับได้อย่างใดก็ได้ พุโทโธธรรมโมสังโฆไปก็ได้พุโทโธอย่างเดียวก็ได้ธัมโมยยโอย่างเดียวก็ได้สังโฆอย่างเดียวก็ได้คำถามจากคุณวิชัยค่ะกระผมขอเรียนถามครับขั้นพระโสดาปติมมะยังไม่ได้ถึงพระโสดาปติผลต้องปฏิบัติได้ประมาณไหนของสามขั้นของพระโสดาปติผลครับขอกราบนรมาส ก, การครับขั้นตอนก็ต้องได้สมถะก่อนได้ ได้ฌานสีก่อนได้อบเบกขาก่อนแล้วขั้นต่อไปก็ไปพิจารณาร่างกายแก่เจ็บตายการพิจารณาก็เป็นสองขั้นในกันขั้นทําการบ้านก่อนเตรียมตัวก่อนสอนใจว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วพอใจยอมรับว่ายอมรับความจริงนี้ได้ว่าต้องห้ามมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้อขั้นต่อไปก็ไปพิสูจน์ว่า ทำได้จริงหรือไม่ต้องไปห า, หาเหตุการณ์จริงเหตุการณ์ที่จะทำให้คิดว่าเราจะตายเช่น um. ไปเจอสิ่งที่เป็นอันตรายเช่น um. ไปอยู่ในป่าเปลี่ยวคนเดียวไปอยู่ในป่าชา้ um. เาเ้วคิดว่าอาจจะมีภัยอย่างใดอย่างหนึ่งมาทำให้ร่างกายเราตายได้แล้วตอนนั้นก็ดูซิว่าใจของเราปล่อยวางร่างกายได้หรือเปล่าปล่อยให้มันตายได้หรือเปล่า um. ส่วนความเจ็บก็ ต้องนั่งให้มันเจ็บแล้วดูซิว่าปล่อยวางความเจ็บได้หรือเปล่าปล่อยให้มันเจ็บไปนั่งไปอย่าไปอย่าไปขยับอย่าไปเปลี่ยนนิรยาบทเพื่อให้ความเจ็บหายไปให้มันความเจ็บมันเกิดขึ้นของมันเองแล้วให้มันดับของมันไปเองแล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อเราไม่กลัวความเจ็บแล้วความเจ็บไม่มีปัญหากับเราความตายไม่มีปัญหากับเรา นั่นแหเป็นขั้นที่จะทําให้เราบรรลุสู่ขั้นสุดาปฏิพันธได้คือเรารู้ว่าความตายไม่มีปัญหากับเราแล้วอย่างจริงๆไม่ใช่เพียงแต่ความนึกคิดเช่นตอนนี้เราคิดได้ว่าตายเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนต้องตายยอมรับได้แต่ยอมรับได้จริงหรือไม่ไม่รู้ต้องไปเจอเหตุการณ์จริงเช่นขึ้นเครื่องคนขับเขาบอกว่าตอนนี้เครื่องมีปัญหาอาจจะตก ออขอให้ท่านใจเย็นๆดูซิว่าใจใจเย็นตามที่เขาบอกได้หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นโสดาปฏิมากรก็บอกอ๋อกูพิจารณามาแล้วถึงเวลาแล้วที่จะได้รู้ว่ากูปล่อยวางได้จริงหรือไม่ถ้าปล่อยวางได้จิตจะเฉยมันจะอยู่กับโอเบกคาถ้าถ้ามันปล่อยวางไม่ได้มันจะคิดแล้วกูจะทำางไงดี ต่อไปนะคะกาบเรียนพระอาจารย์ครับกระผมสังเกตความอยากของกระผมจะมาทางความคิดและความคิดจะบีบบังคับให้กระผมกระทําตามมันเช่นอยากไปโน่นไปนี่อยากกินโน่นกินนี่อยากทําอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็ไม่มีความจําเป็นอะไรที่ต้องทําตามความคิดกระผมก็จะฝืนมันไม่ทําตามแล้วมันก็จะสงบลงแต่มันมีโอกาสมันจะสร้างความคิดให้ทําตามกิเลสอีกผมก็ฝืนไม่ทําตามมัน กิเลสจะเป็นอย่างนี้ไปจนตายใช่ไหมครับแล้วเราต้องใช้สติฝืนไม่ทำตามมันจนกว่าจะชนะมันเด็ดขาดใช่ไหมครับก็ต้องใช้ปัญญาด้วยถ้าฝืนเฉยๆมันก็ยังไม่เข้าไปถึงรากของของเหตุที่ทำให้เกิดกิเลสขึ้นมาเพราะรากของกิเลสนี่คือมันไปคิดว่ามันเป็นความสุขทำแล้วจะมีความสุขเราต้องเอาปัญญามาสอนใจว่าทำตามกิเลสแล้วจะ ไปเจอกับความทุกข์เพราะความสุขที่ได้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่เปลี่ยนได้สูญได้หมดได้ต้องมีปัญญามาประกบด้วยถึงจะทําให้กิเลสความอยากคราวต่อไปจะไม่อยากแเพราะรู้ว่ามันเป็นทุกข์นั่นเองแต่เพียงแต่รู้ว่าเป็นความอยากแล้วหยุดมันด้วยสตินี้ก็จะหยุดได้เป็นพักๆเพราะเวลาไหนสติอ่อนกําลังขึ้นมามันก็ทนไม่ไหว เพราะมันยังเห็นว่าเป็นความสุขอยู่ยังเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้อยากทำนี้เป็นความสุขอยู่นั่นเองต้องเห็นให้มันว่าต้องเห็นสิ่งที่เราอยากได้อยากทำว่ามันเป็นความทุกข์เพราะมันไม่เที่ยวมันไม่เป็นนี้เหมือนตอนที่เราได้มาใหม่ๆ ตอนที่ได้มาจริงใหม่ๆ ม, มันให้ความสุขแต่ใช้ไปใช้ไปอยู่กับมันไปเอา้ามันเปลี่ยนไปใช่ละเริ่มเล่เริ่มลวนเริ่ ม, ร เ, รมเริ่มเสียแล้วมันก็ทำให้เราปวดหัวขึ้นมาแล้วถ้าไม่อยากจะเจอกับความปวดหัวกับความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆก็อย่าไปอยากได้มันอันนี้ถึงจะเลิกได้แบบถาวรต้องมีเหตุมีผล มากล้าความหลงความหลงจะเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้เป็นสุขความจริงก็คือมันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นสุขเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพียงแต่ว่ามันถูกความสุขอัมพรางอยู่เป็นความทุกข์ที่อัมพรางด้วยความสุขก็เลยทําคนให้ที่ไม่มีปัญญาคิดว่าเป็นความสุขกันแต่คนที่มีปัญญาจะรู้ทันจะรู้ว่ามันเป็นความทุกข์คําถามจะคุณลักษนาค่ะ ดูลมหายใจยากมากใช้วิธีดูว่าจิตคิดแล้วรู้หยุดแล้วคิดอีกดูหยุดเรื่อยๆแล้วจะมีสมาธิได้ไหมคะไม่ได้หรอกเพราะปล่อยให้มันคิดต้องอย่าปล่อยให้มันคิดถ้าดูลมไม่ได้ก็พุโทโธไปดีกว่าสวดมนต์ไปดีกว่านี่ถ้าอยู่กำลังนั่งนะถ้าอยู่ในท่าอื่นนี่ดูลมนี่ยากอย่าไปดู ถ้าอยู่ในท่าที่ร่างกายเคลื่อนไหวนี้ใช้คำบริกรรมดีกว่าหรือใช้การเฝ้าดูอิรลยาบทของการเคลื่อนไหวของร่างกายจะดีกว่าเพราะถ้าเราคอยเฝ้าดูมันก็จะทำให้เราไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้นะมันก็จะอยู่กับเรื่องที่เราบังคับให้มันอยู่ให้มันอยู่กับพุโทโธมันก็จะไปพิจิตเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ต้องหยุดความคิดแต่การดูความคิดนี่นมันไม่หยุด พอดูปั๊บพอเราไม่ดูปั๊บมันก็คิดใหม่คำถามจาคุณต่ายค่ะการปฏิบัติตนอยู่ที่บ้านต้องเริ่มต้นอย่างไรอันดับแรกเจ้าคะอ๋อง่ายมากถ้าเราอยู่คนเดียวอยู่เริ่มต้นก็นสติเลยศีลก็ก็ถือศีลแปดไปเลยแล้วก็เตริญสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาคอยควบควบุมคอยหยุดความคิด เป้าหมายแรกคือสู้กับความคิดให้ได้หยุดความคิดต่างๆให้ได้อย่าให้มันคิดให้มันคิดไปในทางที่เราจะให้มันคิดคือพุทธโธหรือบทหรือดูลมหายอ่าอบทสวดมนต์หรออะไรต่างๆเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ถ้าเรามีการเคลื่อนไหวพอเรานั่งเฉยๆถ้าเราดูลมหายใจได้ก็ดูลมหายใจไป อยู่ไม่ได้ก็ท่องพุทโธไปท่องพุทโธไม่ได้ก็ท่องบทสวดมนต์ไปทําอย่างนี้คอยต่อสู้กับความคิดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยววันใดวันหนึ่งจิตก็จะนื่งสงบให้เราได้เห็นขึ้นมาเองคาถามจะคุณโจโจโ อ, อี้ค่ะกราบน้ำระสการพระอาจารย์ครับผมขอสารภาพกับพระอาจารย์ว่าผมผิดอาบัติสังฆาทิเศษครับ และผมสัญญากับพระอาจารย์ว่าต่อไป น, นี้ผมจะไม่ผิดโดยเจตนาอีกครับและถ้ามีโอกาสผมจะปรงอาบัตให้ถูกต้องต่อไปครับ <c oughs> คำถามจะกคุณกัลยาค่ะผู้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตนักโทษถือว่าทำปานาติบาหรือไม่คะตามหลักทำทาเองก็ดีสั่งให้พูดทำให้ก็ดีก็ถือว่าบาปเหมือนกัน อางอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่เสี่ยงต่อการทำบาปถ้าเราถือศีลห้ายอย่างเคร่งครัดเราก็อาจจะขอตัดสินคดีที่ไม่มีโทษปาะหารชีวิตคดีที่มีโทษปาะหารชีวิตก็ให้ผู้อื่นเขาทำไปผู้ที่เขาไม่มีความสนใจในเรื่องศีลธรรมก็ปล่อยเขาทำไปได้แต่ถ้าเรากลัวบาปเราไม่ต้องการจะทำบาป เวลาที่เราต้องทำคดีที่ต้องมีการตัดสินบานชีวิตเราก็ขอแบ่งคดีนี้ให้คนอื่นไปถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนงานพระพุทธเจ้าบอกว่าให้รักษาให้สละทรัพย์เพื่อรักษาธรรมไม่มีอะไรจะมีคุณค่ากว่าธรรมได้เงินทองมามันก็แค่เป็นสมบัติชั่วคราวใช้ได้ในโลกนี้ แต่โทษที่เราได้จากการทำเงินทำเงินทําหาเงินหาทองด้วยการทําบาปมันจะพาให้เราต้องไปเกิดในอบายซึ่งไม่คุ้มค่าคําถามจะคุณบุญเลิศค่ะถ้าเข้าฌานไม่ได้จะบรรลุธรรมได้ไหมครับคือการบรรลุธรรมไม่ได้อยู่ที่การเข้าฌานได้หรือไม่ได้การบรรลุธรรมนี้ต้องอยู่ที่ว่าเราหยุดความอยากได้หรือไม่ ห้ความอยากสู้กับความอยากด้วยปัญญาได้หรือไม่แต่ถ้าไม่มีไม่มีสมาธิไม่มีฌานจิตจะไม่มีกำลังที่จะฝืนความอยากต่างๆเวลาเกิดความอยากต่างๆมันจะสร้างความรู้สึกทรมานใจเป็นอย่างยิ่งถ้าไม่มีอุเบกขาถ้ามีอุเบกขาความอยากจะไม่มาสร้างความทรมานใจให้เลยทำให้สามารถฝืนความอยากได้คือไม่ทาตามความอยากได้ คำถามจากท่านเดิมนะคะเห็นกายในกายหมายความว่าอย่างไรเห็นกายจริงๆหรือเห็นจากความคิดครับเห็นกายในกายก็เห็นร่างกายนี่แหละเรียกว่าเห็นกายในกายเช่นเห็นร่างกายนี้ว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนร่างกายนี้ทำมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ว่าจะเป็นกายของเราหรือเป็นกายของผู้อื่นก็เป็นเหมือนกันหมดนี่เรียกว่าการเห็นกายในกาย คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะนั่งสมาธิประมาณหนึ่งในร่างกายมีอะไรวิ่งตามส่วนร่างกายแล้วมารวมกันได้แป๊บเดียวก็แยกออกไม่ถูกทางใช่ไหมคะคือต้องมีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่าไปสนใจกับสิ่งต่างๆที่ปรากฏมาให้รับรู้ถ้าดูลมก็ดูลมไปอย่างเดียวถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่น จิตถึงจะรวมเข้าสู่ความสงบได้คำถามจาคุณว่านค่ะถ้านั่งสมาธิอย่างเดียวไม่เดินจงกรมได้ไหมเจ้าคะได้ถ้าปฏิบัติน้อยก็นั่งอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าปฏิบัติมากหลังจากนั่งแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมต่อขึ้นอยู่กับว่าเราปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยถ้าปฏิบัติแค่วันละชั่วโมงนี้นั่งอย่างเดียวก็พอได้อยู่ แต่ถ้าปฏิบัติทั้งวันนี่ต้องมีการเปลี่ยนนิรยาบทคำถามจากคุณจามจุรีค่ะจิตไม่นิ่งมีทุกข์กับการรอมีคนรับปากจะทำอะไรให้แต่เขาเป็นคนไม่มีสัตรูผู้จ า, จากโกหกไปเรื่อยๆต้องปฏิบัติต่อใจเราอย่างไรเจ้าขะก็หยุดความอยากที่จะได้สิ่งที่เขาจะให้กับเรา ให้คิดว่ามันเป็นเรื่องของลมๆแรงๆเรื่องของปากคนซึ่งปากคนเราก็ไม่รู้ว่าพูดจริงหรือไม่จริงดังั้นอย่าไปหวังอะไรจากการที่คนเขาจะสัรยงสัญญาอะไรให้กับเราะไว้รอดูของจริงดีกว่าถ้ายังไม่มาก็คิดว่ายังไม่มาก็แล้วกันอย่าไปนั่งฝันว่าเมื่อไหร่มันจะมาสักทียิ่งฝันยิ่งอยากมันก็ยิ่งทําให้เครียดทําให้ทุกข์ ถ้าไปฝันว่ามันไม่มันหลอกเรามันโกหกเราทำให้เราสบายใจกว่าถ้าเกิดเขาไม่โกหกเราเราก็ไม่ผิดหวังเลดเราไปคิดว่าบอกว่าเราเราคิดว่าเขาโกหกเราแต่พอถึงเวลาเขากอามาให้เราเราก็ไม่ขาดทุนเรากำไรทั้งสองตอนตอนที่ยังไม่มาเราก็ไม่ทุกตอนที่เขาเออกมาให้เราเราก็สุขแต่ถ้าเราไปหวังว่าเขาจะให้เราให้เรา ตอนที่ยังไม่มาก็ทุกแล้วเมื่อไหร่จะมาสักทีแล้วพอถึงเวลาจริงๆเขาไม่ให้เราก็ยิ่งทุกข์ใหญ่งั้นต้องคิดไปในในแง่ที่ทำให้เราไม่ทุกข์ดีกว่าก็คือคิดไปในทางที่ไม่อยากนั่นเองไม่อยากได้สักอย่างก็ไม่ไม่ไม่กังวลแลมันจะเขาจะเอามาให้เราหรือไม่ให้เราเราก็ไม่เดือดนอนแลค่ะคำถามจากคุณสิริค่ะเมื่อไม่ได้อยู่ในสมาธิ พอเห็นสิ่งที่ชอบหรือคิดไปในสิ่งที่ชอบก็อยากได้ก็พยายามหักห้ามใจแต่ก็ไม่รู้ว่าคิดไปในทางธรรมหรือเปล่าเพราะบางทีก็คิดว่ามันแพงเงินไม่พอซื้ออย่างนี้ก็จะระ ง, งับใจได้แต่เจออีกก็คิดอีกก็อยากจะได้อีกทำอย่างไรจึงจะหายขาดคะ น, นั้นมันไม่ใช่เป็นทางธรรมเพราะเงินไม่พอพอเดี๋ยวเงินพอมันก็ซื้ออีกออต้องพิจารณาว่ามันจะทาให้เราทุกข์ อันนี้แหละมันยากมันทุกแบบไหนก็มีหลายแบบมันไม่เที่ยงอ่ะมันเปลี่ยนแปลงของที่ได้มาแล้วเดี๋ยวเกิดได้มาเช่นซื้อมือถือราคาแพงๆมาเครื่องหนึ่งเดี๋ยวเผลอวางไปที่ไหนใครหยิบไปเนี่ทุกไม่ทุกเวลามันจากเราไปต้องคิดแบบนั้นหรือมันเสียซื้อมาแล้วมีแต่ปัญหาไปส่งไปซ่อมกี่คนก็ซ่อมไม่ได้สักทีแทนที่จะมีความสุขจากการได้ใช้ ของใหม่กับต้องมาทุกกับมันเพราะต้องคอยส่งไปให้เขาซ่อมอยู่เรื่อยๆเพราะมันไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้แล้วในที่สุดไม่ว่าจะใหม่จ ะ, จะดีขนาดไหนใช้ไปเรื่อยๆมันก็ต้องเก่าเก่าแล้วบางทีมันไม่ทำเสียเลยแต่มันหมดรุ่นเะแล้วมันมีของใหม่ที่ดีกว่าทําอะไรได้ดีกว่ามาอสิ่งที่เรามีอันนี้มันกลายเป็นของไม่มีไม่มีค่าไปเสียแล้วไม่มีประโยชน์ไปเสียแล้วนี่คือต้องคิดแบบนี้ คิดว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสื่อมมีการเสียมีการหมดเนี่ยมันคิดอย่างนี้แล้วมันจะได้ไม่อยากได้คำถามจากคุณป้าหวังปล่อยวางค่ะคำว่าพระไม่มีพี่มีน้องหมายความว่าอย่างไรเจ้าค ะ, ะพระก็สละครอบครัวแล้วไงสล ะ, ะไม่มีญาติไม่มีพี่น้องเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเื็นผู้ที่ ไม่ไปกังวลไม่ไปวิตกไปห่วงใยกับพี่น้องต่างๆแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเมตตานะยังมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ถึงแม้จะไม่เป็นพี่เป็นน้องก็มีความเมตตามีความกรุณามุญิตาเบกขาต่อสรรพสัตว์ต่อคนทั้งปวงไม่เป็นไม่ถือเป็นพี่เป็นน้องแต่ก็รับเหมือนยิ่งกับพี่ยิ่งกวอน้อง ถ้าช่วยเหลือได้ดูแลกันได้ก็ยินดีที่จะช่วยเหลือไปไม่ทอดทิ้งกันคำถามจะคุณลำเพียนค่ะเมื่อลูกสวดมนต์หรือทำกรรมฐานส่วนมากจะได้ยินคนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เขาจะทำเป็นเสียงด่าทอกระแทงแดดดันนานเข้าก็ถึงขั้นมาแกล้งทุกวิธีเลยเจ้าค่ะไม่ทราบว่าลูกมีกรรมอะไรเจ้าค่ะไม่รู้ มีกรรมตรงที่ว่าเราปล่อยวางไม่ได้เขาปล่อยวางสิเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาไปเราห้ามเขาไม่ได้คิดเสียว่าเขาเป็นเหมือนเด่นฟ้าอากาศเรานั่งสมาธิอยู่ดีๆฝนตกเราก็ห้ามฝนไม่ได้เราปฏิบัติธรรมคนเขาจะมากันมาแกล้งมาอะไรเราก็เป็นเรื่องของเขาไปกรรมของเราอยู่ตรงนั้นมากกว่าตรงที่เราปล่อยวางเขาไม่ได้ ปล่อยวางเขาเสร็จแล้วเราจะได้สบายใจเราเราจะได้ปฏิบัติของเราไปได้เรื่อยๆคำถามจากคุณนุ่นค่ะผู้ได้เจโตวิมุตตกับปัญญาวิมุตตปฏิบัติต่างกันอย่างไรคะคำว่าเจโตวิมุตต์กับปัญญาวิมุตตนี่เคยอ่านในหนังสือของหลวงปู่มันวิมุตโตไทยอ่า ต้องเปรียบเทียบ ว, ว่าการปฏิบัติเนี้คนเราต้องปฏิบัติทั้งสมาธิและปัญญาถึงจะหลุดพ้นได้อสมาธินี้ก็คือเจโตนะทีนี้สมาธิที่จะทําให้เราหลุดพ้นนี้มันก็มีเกณฑ์ของมันปัญญาที่จะทําให้เราหลุดพ้นได้นี้มันก็มีเกณฑ์ของมันเหมือนกับการเรียนหนังสือทางโลกทางโลกนี้ การเรียนหนังสือจะผ่าน ว, วิชาก็ต้องมีเกณฑ์ของมันขั้นต่ําเช่นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าต่ํากว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตก็ถือว่าตกแต่วิชาหนึ่งคนหนึ่งอาจจะได้ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นอีกคนหนึ่งได้เก้าสิบเก้าเปอร์ซ็นต์ก็ผ่านด้วยกันทั้งคู่แต่ผ่านแบบคนหนึ่งเก่งทางวิชานี้แต่อีกคนหนึ่งไม่เก่งทางวิชานี้สมาธิก็เหมือนกัน สมาธิก็มีหลายระดับระดับพื้นฐานก็คือฌานสี่แต่บางคนก็ได้สมาธิมากกว่าฌานสี่ได้อรูปฌานแล้วก็ได้อุปจารสมาธิได้อิทธิฤทธิ์ต่างๆได้ระลึกชาติได้เหาะเหินเดินอากาศได้อ่านวาะจิตของผู้อื่นได้มีหูทิพตาที์ติดต่อกับเทวดาได้ อันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของเจโตวิมุตต์คือพวกที่มีความสามารถพิเศษทางทางสมาธิส่วนปัญญาวิมุตติก็คือมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นอริยสัจ ส, สี่ก็สามารถที่จะหลุดพ้นได้แต่บางพวกนี้มีความสามารถที่รู้ลึกกว่าอริยสัจ ส, สี่หรือหรือรู้กว้างกว่าสามารถเอาความรู้ ที่ตนเองรู้นี้มาสอนหรือมาขยายบอกผู้ไนดะ้เห็นภาพได้ชัดเจนกว่าอันนี้เขาเรียกว่าพวกปัญญาวิมุตย์คือพวกที่เก่งทางด้านปัญญาเช่นภาษาลีบุตรนี่ท่านเรียกว่าเป็นพวกปัญญาวิมุตยิย์ส่วนพระโมคคัลลานี้ท่านเก่งทางด้านสมาธิก็เรียกว่าเป็นพวกเจโตวิมุตย์สำหรับพระพุทธเจ้านี้ท่านเก่งทั้งสองด้านเก่งทั้งปัญญาเก่งทั้ง สมาธิท่านก็ได้ทั้งเจโตได้ทั้งปัญญาวิมุตตินี่คือความเข้าใจของเรานะซึ่งก็เอามาเล่าให้ฟังแต่ต้องมีทั้งสองอย่างมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาเหมือนกับเรียนวิชา คณิตศาสตร์การเรียนวิชาศิลปศาสตร์เนี่ยคนที่เก่งทางคณิตมักจะไม่ค่อยเก่งทางศิลปศาสตร์คนที่เก่งทางศิลปศาสตร์จะไม่เก่งทางคณิตศาสตร์ก็คนเก่งทางศิลป์ก็ได้สี่จุดทางศิลป์แต่ไม่ได้สองจุดทางทางคณิตคนที่เก่งคณิตได้สี่จุดแต่ไปได้สองจุดทางศิลปศาสตร์นี่คือความหมายของเจโตวิมุติปัญญาวิมุติ คืบางคนนี่เก่งทางสมาธิมากกว่าทางปัญญาบางคนเก่งทางปัญญามากกว่าเก่งทางสมาธิคำถามจากคุณปณทัศน์ค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ใจเรามีอุเบกขากับอารมณ์และความรู้สึกต่างๆครับพ่อก็นั่งพยายามเจริญสติอยู่บ่อยๆนั่งสมาธิให้มากๆแล้วถึงจะได้อุเบกข์ ของจริงนะถ้ายังไม่ได้ของจริงก็ต้องใช้ของปอลอมไปวันขอยามห้า ม, ห, ามห้ามกัดฟันไปใจก็ห้ามปากก็ห้ามพูดแต่ใจก็อยากจะด่ามันอยู่อันนี้เป็นอุเบกขาแบบแบบปลอมแต่ถ้าเป็นอุเบกขาจริงล้วจะเฉยใครจะพูดอะไรจะทำอะไรเราไม่สนใจไม่เดือดร้อนไม่มีความคิดอยากจะไปด่าเขาไปว่าเขาหรือไปอะไรเขา เพราะใจมีอุเบกขาจริงจะมีอุบัติอุเบกขาจริงได้ต้องมีสติอย่างต่อเนื่องที่เป็นสัมปะชัญญะแล้วสามารถเข้าฌานสี่ได้นั่งสมาธิจิตรวมเป็นสมาธิได้อันนั้นน่ยแล้วพอออกมาก็จะมีอุเบกขาติดมากับใจในระยะหนึ่งถ้าออกมานานๆมันก็หมดได้ก็ต้องกลับเข้าไปใหม่เหมือนกับน้าความเย็นของน้าที่แช่ไว้ในตู้เย็น เวลาออกมาใหม่ๆมันก็เย็นทิ่ง ไ, ไประยะหนึ่งความเย็นของน้ำก็หายไปใจก็เหมือนกันเวลาออกจากสมาธิใหม่ๆใจจะเย็นใจจะสบายแต่ถ้าสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันเริ่มร้อนร้อนด้วยความโลภความอยากความต่างๆก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ถ้าไม่มีปัญญาที่จะทำให้ใจเย็นได้ถ้ามีปัญญาก็พิจารณาตรักไปใครทาอะไรก็คิดว่าเป็นอนัตตาไป เป็นธรรมชาติไปเป็นดินน้ำลมไฟไปเป็นดินฟ้าอากาศไปไปควบคุมไปบังคับไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาทำไปใจก็จะไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆคำถามจะกคุณปกาค่ะลูกเคยปฏิบัติจนจิตตั้งมั่นแล้วพอสักระยะก็หย่อนการปฏิบัติแล้วกิเลสความฟุ้งก็กลับมาอีก ถ้าเราอยากหลุดพ้นจริ ง, รงๆเราต้องบวชปฏิบัติจริงจังชั่วชีวิตเลยใช่ไหมคะก็เหมือนทํางานเนะี่ยถ้าคุณอยากจะได้เงินเดือนทุกเดือนคุณก็ต้องทํางานทุกวันเนะี่ยถ้าคุณหยุดทําแล้วเขาจะให้เงินเดือนคุณหรือเปล่าะนะก็เหมือนกับการปฏิบัติจะบวชไม่บวชไม่สําคัญนะขอให้มันปฏิบัติพ้านะมีคนบวชเยอะแล้วไม่ปฏิบัตินะบวชแล้วไม่ปฏิบัติก็เหมือนกับไม่ได้บวช อย่าใช้คำว่าบวชเพราะบางทีมันฟังแล้วมันอาจจะน่า ก, กลัวเพราะคนกลัวคาคาว่าบวชใช้คำว่าปฏิบัติดีกว่าถ้าคุณปฏิบัติได้คุณก็จะได้ผลจากการปฏิบัติถ้าคุณไม่ปฏิบัติคุณก็ไม่ได้ผลจากการปฏิบัติทั้นนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะต้องบวชหรือไม่บวชเพียงแต่ว่าการบวชมันเป็นการเอื้อให้เราได้ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง เพราะเราจะได้ไม่ต้องมีความผูกพันไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับใครนั่นเองเพราะถ้าเรายังไม่บวชเดี๋ยวคนนั้นคนนี้เ็เขามายุ่งกับเราได้เดี๋ยวเพื่อนฝูงก็มาชวนเราไปเที่ยวไปกินไปดื่มได้พอเราปฏิเสธเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจเขาก็จะไม่สบายใจแต่พอเราไปบวชแล้วเขาก็รู้ว่าอ๋อเราไม่ไปแน่ๆเขาก็ไม่มาชวนเราเขาก็ไม่รู้สึกไม่สบายใจกับเราไม่มีเราก็ไม่ความไม่รู้สึกไม่สบายใจกับเขาก็ไม่มี ประเด็ตรงนั้นการบวชเป็นการประกาศให้โลกรูว้ว่าฉันไม่อาล้วนะ ส, สังคมทางโลกฉันขอไปหาความสงบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคําถามจากคุณชมชนกค่ะโยมเปิดธรรมะของพระอาจารย์ฟังไปด้วยและทํางานไปด้วยค่ะบางครั้งก็เปิดบทส่วนมนฟังไปด้วยค่ะคือมีบางจังหวะพนักงานมาถามงานโยมก็ตอบ จิจะหันไปทา ง, งานแต่พอนั่งทำงานคนเดียวก็ฟังเป็นแบบนี้ทุกวันค่ะประมาณนี้พอจะได้บุญบ้างไหมคะก็ได้ครึ่งหนึ่งอะได้งานครึ่งได้บุญครึ่งหนึ่งงานอาจจะทำไม่สมบูรณ์ก็ได้อาจจะมีความบกพร่องทางการงานก็ได้เพราะเวลาเราฟังถ้าใจเราอยู่กับการฟังงานที่เรากำลังทำอยู่ก็จะไม่มีใจมาคอยดู ก็อาจจะคิดเลขผิดบ้างบวกผิดบ้างใส่เลขในช่องผิดบ้างก็ได้งั้นถ้าอยากจะได้เต็มร้อยอย่างใดอย่างหนึ่งก็เอาทีละอย่างดีกว่าถ้าอยากจะฟังทาก็เรามีเวลาว่างเปิดฟังอย่างเดียวให้ได้เต็มร้อยเลยดีกว่าได้บุญเต็มร้อยถ้าอยากจะทํางานให้ได้มีประสิทธิภาพได้ผลดีก็ทํางานไปอย่างเดียวอย่าไปฟังอย่างอื่น ถามเจ้าคุณนิชาแห่ milk, ค่ะเมื่อจิตที่กําลังจะถอยหลังกลับไปหลงมีความเห็นผิดอีกต้องทําอย่างไรเจ้าค้าก็นึกถึงตายรักเนียนึกถึงตายรักไว้ว่าสิ่งที่เราไปหลงเนี่ยมันเป็นของปลอมทั้งนั้นเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องทุกข์อีกคําถามจ้าคุณจินค่ะเกิดนิวรณ์ความ เกียดค้านในการนั่งภาวนาจะแก้ไขยอย่างไรดีเจ้าค่ะก็ให้เราคิดถึงความตายก็ได้คิดว่าเราไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายเราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครรับประกันว่าจะตายตอนแก่งั้นตอนนี้เรายัางมีชีวิตอยู่เราเอาเวลานี้มารีบปฏิบัติดีกว่าเพราะเดี๋ยวถึงเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายแล้วเราจะไม่ได้ปฏิบัติกันะ ให้มันแล้กถึงความตายอยู่เรื่อยๆถึงความเจ็บไายได้ป่วยอยู่เรื่อยๆมันก็อาจจะทำให้เราหายจากความเกลียดขานได้เมื่อครั้งเราเป็นเด็กเห็นพระสงฆ์ทะเลาะ ก, กันแต่เราเข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งถือว่าเราทำพระสงฆ์แตกแยกหรือไม่ครับไม่เราพระสงฆ์แากแยกอยู่แล้ว <c oughs> ถ้าเราไปยุ่ยอยาให้พระองค์นี้ไปเกลียดองค์นั้นอันนี้ถึงจะทาให้สงฆ์แากแยก เขารักกันดีอยู่แล้วก็ไปไปไปบอกพระองค์นี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้พระองค์นั้นเกลียดเ ร, เราเรากลียดมาให้ทําให้พระเกลียดกันโกรธกันอย่างเงี้ยถึงไปทําให้สงแตกแยกแต่อันนี้เขาไม่ถือว่าเป็นแตกแยกแบบที่ทําให้สงคือศาสนานี่ยากเป็นเสียงคำว่าสงแตกแยกนี่ก็หมายถึงทําให้ศาสนานี่แยกเป็นเสียงไปเช่นในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยคนไป เทวทัตนีไ่ไปยุอย่าให้พระสงฆ์ไปนับถือตัวท่านแทนที่นับถือพระพุทธเจ้าอย่างเี้ยถึงได้ว่าทำให้สงฆ์แตกแยกแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายไปคำถามสุดท้ายแล้วนะคำถามจากคุณเบญจวรรณค่ะแม่โยมทำงานหนักสักผ้าด้วยมือโยมเห็นแล้วทุกจะช่วยก็ทำแบบท่านไม่ไหวโยมควรเดินปัญญาวางใจเช่นไรคะ มีเงินก็ซื้อเครื่องซักผ้าให้ทันเลยเก็บเงินเก็บทองไว้เงินทองที่เราจะไปเที่ยวเอาไปซื้อของให้กับเรานี้เราเอามาทําบุญดูซื้อเครื่องซักผ้าให้แม่ได้ใช้แม่จะได้ไม่ต้องมาซักให้เจ็บม้เจ็บมื อ, อมถ้าไม่มีก็ต้องทำใจแล้วเป็นกรรมของแม่ก็แล้วกันอุอบเบกขาไปอแล้วนะี่าวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา